วันนี้พวกเราก็ได้มา <c oughs> ร่วมกันประกอบกิจทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้สอนไวใ้ให้แร่งประกอบกันเพราะวันเวลานั้นเป็นของที่ไม่แน่นอนชีวิตของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน มีการเกิดย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่ร่างกายจะดับไปนั้นก็ไม่มีใครสามารถไปกําหนดได้ว่าจะเป็นวันนั้นเป็นวันนี้ดังนั้นจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทคือไม่ควรจะผัดวันประกันพรุ่งอย่าไปคิดว่าชีวิตของเรานี้ อย่าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเราจะมีเวลาประกอบกิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้ประกอบได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้กฎของอ น, นิจจงร่างกายอยู่ภายใต้กฎของความไม่แน่นอนผู้ชลาดจึงไม่ประมาณ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 แต่พอเราเรินตอต่อขึ้นมามากขึ้นมากขึ้น <c oughs> เรามีความสามารถที่จะเดินไปในทางผิดได้มากขึ้น <c oughs> เราจึงสร้างความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นรักษาความสุขให้มีให้น้อยลงไปสมัยเด็กๆเราทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องของเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเช่นของเล่นของอะไรไป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 ไม่ได้บำเพ็ญตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้บำเพ็ญนั่นเองว่าแนวทางที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้บำเพ็ญก็คือการลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปไม่ใช่ให้เพิ่มมีมากขึ้นไปนี่คือการบำเพ็ญของพวกเราการบาบัด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 ก็ยังไม่มีความสุขมีความทุกพราะไม่พอวันวันพันสองพันก็ยังไม่พอต้องอย่างน้อยวันละหมื่นสองหมื่นหรือแสนสองแสนถึงจะรู้สึกว่าพอทำไมมันจริงต้องการมากหลายขนาดนั้นก็เพราะว่าเราเริ่มรู้มากเริ่มรู้เรื่องของต่างๆที่มีมากในโลกนี้ แล้วของต่างๆในโลกนี้ก็มีราคาที่มากสมัยเด็กๆเราไม่รู้จักของต่างๆเอนก็เลยไม่มีความต้องการของต่างๆอะไรมากนะของที่เราอยากจะได้ก็คือของเล่นของกินอะไรเล็กๆน้อยๆราคาไม่กี่สตังค์แต่สมัยพอเราโตขึ้นมาเราเริ่มเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้รู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็เลยทาให้เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มากขึ้นจึงทําให้การที่จะต้องตอบสนองความอยากนั้นหนักขึ้นมากขึ้นการจะได้สิ่งที่เราจะตอบสนองความอยากของเรานี้ก็ต้องได้มาด้วยความยากยาเยนเ็นเพราะเราก็ต้อง ทำมาหาเงินหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้นำเอามาซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันแล้วก็ถ้าไปซื้อแบบในลักษณะซื้อแบบเงินผ่อนอันนี้ก็ยิ่งจะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะจะ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 การนี่ที่เราไปสร้างไวลาดตท่นั้นก็จะเดือดร้อนทางจิตใจเพราะไม่อยากจะสูญเสียสิ่งที่ซื้อมาไปก็จะทำให้ต้องเดินหลนเพิ่มมากขึ้นทำงานหนักขึ้นไปเวลาพักผ่อนเวลาที่จะมาทำประโยชน์ทางด้านจิตใจก็จะมีน้อยลงไป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 เป็นส่วนส่วนไปรายได้ที่ได้ต้องใช้กับสิ่งที่จําเป็นเช่นปัจจัยสี่เราก็แบ่งเอาไว้รายได้ที่เราจะต้องเก็บเอาไว้ในอนาคตเพื่อเผื่อเวลาที่มีการาตกน้ำหรือว่ารายได้ขาดรายได้ไม่สามารถหารายได้ ฉันอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเนื้อออกจากงานก็จะได้อาสายเงินที่สะสมเก็บไว้นี้มาจุนเจียต่อ <c oughs> แล้วก็ต้องแบ่งไว้ส่วนนึ่งไว้มาเพื่อเป็นการ <c oughs> ลดละของความอยากคือการที่จะเอาเงินที่เหลือนี้ไปใช้ตามความอยากเราก็เอาเงินที่เหลือจาก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 มาทำบุญให้ทานมาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ลกทุกข์ได้ยากผู้ที่อดอยากขาดแคลนเจ็บไข้ได้ป่วยผู้ที่ต้องขึ้นพาอาศัยความช่วยเหลือของผู้อื่นเราเงินนี้มาทำทานกัน <c oughs> ถ้าเราทำทานในส่วนนี้ได้เราก็จะเราก็จะควบคุมความอยาก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 ช่วยเหลือแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้่แล้วเราจะสามารถที่จะ <c oughs> ลดละความอยากคือที่เป็นตัวที่จะสร้างปัญหาให้กับเรานี้ไม่ให้มีกำลังเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็ทำให้เรามีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขใจที่เกิดจากการชนะ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 ตามหลักของความเป็นจริงดับความทุกข์ได้จริงๆบาบัดความทุกข์ได้จริงๆบารงความสุขได้จริงๆเช่นคนที่ต้องใช้เงินซื้อสุรามาดื่มอย่างนี้ถ้าไม่เอาเงินนี้มาซื้อสุรามาดื่มเอาเงินนี้มาซื้ออาหารไปให้แก่ผู้ที่เขาโอดอยากขาดแคน ก็จะได้ประโยชน์หลายทางด้วยกันทางร่างกายก็คือร่างกายไม่ต้องรับสารพิษเข้าไปอายุก็จะไม่สั้นลงไปโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงไป <c oughs> แล้วทางจิตใจก็จะไม่วุ่นวายใจเวลาที่อยากจะดื่มสุราแล้วไม่ได้ดื่ม <c oughs> หรือเวลาดื่มแล้วก็ไปสร้างโทษไปสร้างเรื่องราวต่างๆขึ้นมาเนื่องจากเวลา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 ที่หามาได้ด้วยคมลำบากยากเย็นไปในทางที่ถูกที่ควนไปในทางของการบำบัดทุกบำลุงสุขอย่างแท้จริงถ้าเอาเงินนี้มาซื้อสุรามาเดิม <c oughs> ก็จะเป็นการ <c oughs> บ, ำ บ, บำบัดสุขบาลุงทุกจะสร้างความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นคนที่ติดสุรานี้มีปัญหามักจะไปทำผิดกฎหมาย เดินโซลาแล้วก็เมาแล้วก็ยังไปขับรถพอไปขับรถก็เกิดอุบัติเหตุเสียชื่อเสียงไปหมดบางคนมีสถานภาพที่สูงส่งแต่พอปรากฏเป็นข่าวในหน้าซึ่งสื่อพิมพ์ว่าเมาแล้วขับทันี้ก็กลายเป็นคนไม่มีหน้ามีตาไปไม่มีใครเขา้าให้ความเข้ารกนับถืออีกอันนี้แหละ คือการที่เราจะสามารถทำให้ชีวิตของเรามีความทุกข์น้อยลงมีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยการทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือรายได้ที่เราหามาได้นี้เราหามาเพื่อบำรุงชีวิตของเราคือปัจจัยสี่ส่วนหนึ่งถ้ามีเหลือเราก็เก็บไว้สําหรับการบำรงชีวิตของเราในอนาคต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 การสร้างความอยากสร้างความทุกข์ให้มากขึ้นไม่ได้บำบัดความทุกข์แค่น้อยลงไปแต่จะสร้างความทุกข์ให้เพิ่มมากขึ้นสร้างปัญหาให้หมีมากขึ้นไปการทำทานจึงมีอานิสงส์อย่างนี้ประโยชน์ของการทำทานก็เพื่อเป็นการตัดความอยากนี้เองแล้วก็จะทำให้เรานี้สามารถก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติขั้นที่สองได้ ก็คือการรักษาศีลการละเว้นจากการทำบาปห้าประการ <c oughs> ก็คือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิด ต, ตวัวเนีพูดปดเสพสุรายาเมาการกระทำทั้งห้าประการนี้ถ้าทำไปแล้วก็จะเกิดโทษกับผู้กระทำทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเช่นไปฆ่าผู้อื่นก็จะต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป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 ของการบำบัดทุกบำรุงสุขได้ก็คือ <c oughs> ทำให้เราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องเพราะเราจะมีเวลาที่จะไปปลีกวิเวกไปบปําเพ็ญการทำจิตใจให้สงบการหยุดความอยากต่างๆเพราะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทํางานแบบหามลุง่งหามขําแบบเจ็ดวันเจ็ดคืนแบบไม่มีวันหยุดวันหย่อน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 ไม่ใช่ตามตามความต้องการของ จ, จิตใจของตันหาความอยากแล้วเราก็จะควบคุมการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆซึ่งเป็นความอยากในการกามตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสทปรตพะไม่หาไม่ดูไม่ฟังไม่ร้องลัมทำเพลงไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องบันเทิงทั้งหลาย ไม่เกี่ยวกับข้อง ก, กับเรื่องของสวยๆงามๆเช่นเสื้อผ้าอาภร น, น้ำหอมน้ํามันเพื่อสามางต่างๆอันนี้เป็นการเสียเวลาเป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวกระเดาไม่ใช่เป็นความสุขจริงเป็นความสุขปลอมซึ้เอาเวลาที่หมดไปกับการเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้มาเจริญสติ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 ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกเพราะที่นอนมันนุ่มมันสบายก็จะหลับต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงแทนที่จะหลับเพียงสี่ห้าชั่วโมงก็จะกลายเป็นแปด้าชั่วโมงไปก็จะเสียเวลาอันมีค่าที่จะเอามาใช้ในการบำเพ็ญคือมาเดินจนกลมนั่งสมาธิดังที่พระเจ้าทรงสอนให้นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายบาเพ็ญกัน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 น้ำหะายที่ใหญ่ของกคัมปันผลไม้อะไรที่ใหญ่ของกัมปันก็ไม่สามารถจะเอามาใช้เป็นน้ำปานะได้เช่นสับ ป, ประรดนี่ถือว่าใหญ่กว่า <c oughs> แต่ส้มนี่ถือว่าขนาดพอๆกับกัมปันก็สามารถที่จะเอามาบีเอาน้ำของผลไม้มาดื่มแต่ต้องเป็นน้ำล้วนๆคือไม่ให้มีกากไม่ให้มีเนื้อต้องใช้ผ้ากรองออกไป เราไม่ต้องการให้รับประทานเป็นอาหารให้รับประทานเป็นเภสัชคือ น, น้ำปนานะนี้ถือว่าเป็นเภสั์อย่างหนึ่งช่วยรักษาเยียวยาร่างกายหลังจากที่ได้ดื่มน้ำปนานะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาถ้ามีกิจส่วนตัวต้องทำอะไรก็ทำไปจนถึงเวลาอาบน้ำอาบท่าส่งน้ำพอถึงเวลาหกโมงเย็นก็เดินจงกรมนั่งสมาธิต่อ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 ความทุกข์ของเราก็เกิดจากการได้เสพสัมผัสรูปเสียงเกิดลดโผล่ั่พะเหมือนกันาบางครั้งก็เสพกับรูกที่ถูก อ, อกถูกใจก็มีความสุขบางครั้งไปเสพกับรูกที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจก็มีความทุกข์เวลาได้ยินเสียงสรรเสริญก็มีความสุขเวลาไปได้รับเสียงนินทาว่ากล่าวติเตียนก็มีความทุกข์ขึ้นมา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 หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เวลานั้นก็จะมีแต่ความเศร้าส้อยหงอยเหงามีความเบื่อหน่ายบางครั้งก็คิดอยากจะข้าตัวตายไปโดยเฉพาะเวลาที่ต้องสัมผัสกับผลทพะที่ไม่พึงปรารถนาเช่นความเจ็บปวดต่างๆทางร่างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่รักษาไม่หายแต่ถ้าเรา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 ทำอะไรหลายอย่างจะต้องคอยเหยียบน้ามันคอยเหยียบเบรกคอยเข้าเกียร์คอยจับพวงมาลยัยรู้สึกว่าเป็นงานที่ยุ่งยากมากมายแต่หลังจากที่เราทำบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินก็จะความง่ายดายขึ้นมาแต่ใ <c oughs> นตอนต้นเวลาที่เรานั่งสมาธิกันใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่ายากเหลือเกินการที่จะต้องคอยบริกรรมพุทธโธพุทธโ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 จะไม่รู้สึกง่วงเหงาหานอนจะไม่รู้สึกลำคานกับอาการเจ็บ ต, ตรงนั้นปวดตรงนี้ของร่างกายจะไม่มีความคิดพุ่งสร้างตามมาใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเรื่องการที่จะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาจึงต้องอาศัยการเจริญสติเป็นจุดเริ่มต้นก่อนต้องให้จิตของเรานี้มีสติอย่างต่อเนื่อง ไม่เผลอไปกับเรื่องอื่นไม่คิดไปกับเรื่องอื่นให้คิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียวหให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการเฝ้าดูร่างกายอย่าง <c oughs> อย่างไม่คาดสายตาทุกเวลานาทีอันนี้คือเรื่องของการบาเพ็ญจิตภาวนาเพื่อให้จิตให้เข้าสู่ความสงบที่ความสุขที่ที่เลิศที่สุดที่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 มันก็หายไปได้เพราะเวลาเผลอสติก็จะมีตันหาความอยากโผล่ขึ้นมามาทำลายความสงบอันนี้ได้ถ้าอยากจะไม่ให้ความสงบนี้หายไปอย่างท้าวนโดยที่ไม่ต้องเจริญสติเช่นไม่ต้องบริกรรมพูดถยต่อไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะม า, าทำลายความอยาก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 พอเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะหยุดความอยากได้สิ่งต่างๆได้พอเราไม่มีความอยากได้ในสิ่งต่างๆเราก็จิตก็จะกลับสู่ความสงบได้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆเราก็จะสงบไปอย่างถาวรเพราะว่าเหตุ <c oughs> <c oughs> ที่จะทำให้ใจไม่สงบนี้จะถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญา ด้วยไตรลักษณ์ด้วยอเนจังทุกขังอนัตตาด้วยอริยสัจสี่เกิดทุกสมุทัยนิโรธมากนี่แหละคือปัญญาของทางพระพุทธศาสนาปัญญาของทางวิาสาัศาสนานี้ไม่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับปัญญาความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกนี้แตกยากเป็นหลายสิบหลายหมืน่นหลายพันสาขาด้วยกันแต่เป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอด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 และการจะดับความทุกข์ของใจก็ต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางนั้นเองอันนี้แนหะคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสั้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนเป็นความรู้แบบ <c oughs> เรียกว่าเส้นผมบางภูกเขาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาแต่ไม่มีใครมองกันแทนที่จะหาวิธีบำบัดทุกข์บนุงสุดที่มีอยู่ภายในใจ คำตอบมีอยู่แล้วภายในใจกับไม่หาคำตอบภายในใจกันกับไปหาคำตอบข้างนอกใจไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวิชาต่างๆจนมีวิชาแทบจะนับไม่ท่วนนะว่ามีกี่วิชาด้ยวยกันแต่วิชาความรู้ต่างๆภายนอกนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้ดังนั้นผู้ที่จะ เข้าถึงความรู้ น, นี้ได้ก็ต้องปฏิบัติอย่างที่พระเจ้าได้ท่งปฏิบัติคือทาทานสละราชสมบัติเพื่อจะได้มีเวลาออกบาเพ็ญรักษาศีล บ, บาเพ็ญจิตภาวนาได้อย่างเต็มที่ถ้ายัางต้องยุ่งเกี่ยวอยู่กับพระราชทรัพย์ต้องยุ่งเกี่ยวกับชีวิตของของผู้ครองเรือนอยู่ก็จะไม่มีเวลาพ อ, อก็จาเป็นจะต้องสละทุกอย่างทาทาน <c oughs> แบบเต็มที่เลยมีอะไรเท่าไหร่ก็ยกให้ผู้อื่นไปหมดไม่มายกไม่มากังวลด้วยเพื่อจะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้กับการรักษาศีลและจเจริญกิจกภาวนาจนในที่สุดก็ได้พบกับอริยสัจสี่ได้พบกับไตายักษอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้พบกับความสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้พบ กับการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคำตอบอยู่ภายในใจของเราไม่ได้อยู่ภายนอกถ้าเรายังไปหาคำตอบอยู่ภายนอกอยู่ก็แสดงว่าเรายังหลงทางอยู่เช่นเดินทางไปหาพระพุทธเจ้าที่ประเทศเอินเดียนี่ก็หลงทางกันไปไปผิดทางมองป้ายผิดไปป้ายจี้อบอกให้เข้าข้างในกลับไปข้างนอกกันไปทางตาหูจมูกดินกายกัน ท่นบอกให้ปิดทวารตั้งห้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายถ้าอยากจะเห็นพุท ธ, ธะให้เข้าข้างในให้บำเพ็ญปฏิบัติจนเห็นธรรมะพอเห็นธรรมแล้วก็จะเห็นพุท ธ, ธะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตไม่ใช่ผู้ใดไปอินเดียผู้นั้นจะเห็นเราตถาคตพระพเจ้าไม่เคยตัดสอนอย่างนั้นสอนแต่ว่าให้เข้าข้างในสํำรวมินทรียตาหูจมูกลิ้นกาย จเจริญสติดึงใจให้เข้าข้างในให้ได้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธอันนี้แหละการเข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดึงเข้ามาข้างในพอเดึงเข้ามาข้างในก็จิตก็จะสงบจิตก็จะเห็นธรรมะเห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสี่ก็จะเห็นพระพุทธเจ้าอ๋อเนี่แหละคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจิตของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรจิต ที่มีรมก็เป็นอย่างนี้คือจิตที่สงบผู้ที่มีจิตสงบก็คือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนโชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนก็อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่การบำเพ็ญจิตตะภาวนาอยู่ที่การรักษาศีลอยู่ที่การทำฐานนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหน อย่าไปที่อินเดียให้เสียเวลาหลวงปู่มั่นไม่ได้ไปหลวงตามาหาบัวไม่ได้ไป <c oughs> พวกที่ไปแล้วเจอพระพุทธเจ้ากันหรือยงังอันนี้ก็ขอให้นำเอาไปคิดว่านนวทางของการบาเพ็ญของเราเั้น <c oughs> ไปในทิศทางไหนกันนะทางของพระพุทธเจา้าหรือทางของโมหาวิชาความหลงความมืดบอด ถ้าไปทางตาหูจมูกลิ้นกายไปทางข้างนอกก็ถือว่าไปตามทางของหนูหางอวิชาถ้าไปสู่การสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไปสู่ทางศีลแปดสู่ทางจิตตภาวนาอันนี้แหละเป็นทางไปที่พระเจ้าได้ส่งไปทงลดำเนินไปด้านสกงสอนให้พวกเราบําเพญตามกันดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายาม ตะเกียกตะกายต่อสู้กับความหลงที่จะหลอกให้เราไปหาสิ่งต่างๆภายนอกให้ดึงใจให้เข้ามาสู่ภายในยให้ได้แล้วเราจะได้พบกับจารณะที่เพึ่งที่ประเสริฐที่แท้จริงต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรกับเวลาจึงขอพักไว้เพียงเท่านี้มีปัญหาจะถามเลย เขาเด็กถามมาับว่าแม่ครับแม่คิดว่าอะไรที่น่าสนใจกับการมีชีวิตอยู่นะเหมือนกับว่าเาอยู่ไปทำไมอยู่ไปทาไมอยู่ไปเพื่อทำอะไรใช่ไหมในสิ่งที่ดีที่สุดอ่าก็ที่เทศมาสี่สิบห้านาทีนี้ครับก็เพื่อการบำบัดทุกบำลุงสุขที่ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตเราถ้าเราเกิดมาเกิดมาเพื่อทำลายก็เกิดมาเพื่อมาทําสิ่งนี้คือบําเพ็ญตามที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนคือการทําทานรักษาศีลการภาวนาเพราะเป็นวิธีบําบัดทุกข์บำรงสุขที่ถูกที่แท้จริงและจะทําให้เกิดผลที่ปรารถนากันก็คือความหมดทุกข การมีแต่ความสุขที่ถาวรต่อไปถ้าไม่บำเพ็ญตามทางนี้ก็จะต้องกลับมาถามคำถามนี้ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ทุกพบทุกชาติกลับมาเกิดใหม่ก็จะถามว่าเกิดมาทาไมแล้วก็ไม่มีใารให้คำตอบได้เพราะว่าทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดมาทำไมกันจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาพบผู้ที่ได้บำเพ็ญทางนี้มา ล้วถึงจะรู้ว่านี่แหละคือคือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจยอย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ควรจะทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเป็นคุณเป็นประโยชน์โดยถ่ายเดียวไม่มีโทษแก่จิตใจเลยมีคำถามเดียวเลยคำถามคำถามนี้ผมเข้าใจว่าก็เป็นเด็กนะครัคุณ อยู่ในวที่ดีหนังสือด้วยแล้วคงจะพ่อแม่พามาวัดก็คงจะคิดว่าการดีหนังสือก็ส่วนหนึ่งการ ม, มาฟังธรรมป็บัตรธรรมก็ส่วนหนึ่งอะไรก็สิ่งที่ดีที่สุดงั้น่นน่นนคือดีที่สุดก็คือการศึกษาทางธรรมแต่ถ้าเรายังไม่มีความสามารถพอที่จะเข้าสู่การศึกษาทางธรรมได้เราก็ต้องศึกษาทางโลกไปก่อน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 แต่ถ้าเราเป็นคนที่สามารถเรียงทางธรรมได้เลยอย่างเช่นสมเด็จพระสังฆราชที่ส่งสิ้นพระชนไปพระองค์ก็ทรงเรียนทางธรรมตั้งแต่ทรงพระเยาว์วัยบวชเป็นสามาเณรเลยนี่ยสมัยก่อนเขาก็มักจะให้ลูกๆบวชเนรกันเพื่อจะทดสอบภูมิของเด็กว่าจะมีปัญญาที่จะไปในทางธรรมได้หรือไม่ถ้ามีทางธรรมได้ก็จะบวชไปเรื่อยๆไม่สึกม หลวงปู่มั่นนี้ก็บวชเป็นเนรมาก่อนเพียงแต่ว่าท่านต้องเสด็จออกมาเพราะทางบ้านยากจนบิดามารดาทําไร้ทานาต้องการมีผู้ช่วยช่วยทํางานก็เลยต้องออกมาแต่พอท่านมีอายุที่จะบวชพระได้ความปรารถนาที่จะไปในทางธรรมของท่านนั้นมีกําลังมากยิ่งทําให้ท่านบวช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 แล้วท่านก็ดําเนินตามที่ผู้เจ้าทรงดําเนินทรงสอนให้ดําเนินจนในที่สุดก็ได้ผลอย่างที่พระเจ้าทรงได้รับกันกลายเป็นสถานะที่พึ่งของประชาชนชาวไทยเราเป็นจํานวนมาก <c oughs> อันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นสิ่งที่น่ า, าน่าศึกษา น่าแสวงหามาเป็นสมบัติให้ได้เพราะเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงผู้ที่มีธรรมะเป็นธรรมังสาราังกาะฉามิแล้วจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีอะไรเป็นสาระอีกต่อไปเพราะธามังสาราังกาะฉามิจะสามารถปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจไม่ให้มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทำลายได้เลย ทั้งนี้มีปัญหาอะไรเปล่าคำถามไปเลยดีกว่าให้มันเสร็จๆไปเลยที่อาจารพูดถึงว่าเด็กควรจะเล่รชอบดินงมุรเรียนหนังสือเนี่ยนะครับแล้วก็ไยเพื่อจะประกอบอาชีพการงานเนี่ยตัวไวขนาดนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่เดินควคู่ขั้นคู่ขนานกันได้ได้เพื่อกินได้กรอบเองในเืองทาได้ก็อยู่ที่ตัวเขาอยู่ที่โอกาสที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะให้กับเขาหรือไม่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 กลับไปสนใจกับคําสอนของทางอรารยประเทศต่างๆได้ไปศึกษาต่างประเทศกันได้เป็นเรียนรู้วิชาทางโลกกันก็เลยกลับไปเกิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้ที่สําคัญกว่าความรู้ทางศาสนาจึงตัดความึจึงตัดวิชาทางพุทธศาสนาทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย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 ให้ดูให้ฟังในบ้านกันพาเข้าวัดเข้าว่ากันอันนี้ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสนับดูกับเรื่องของทางพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเด็กมีภูมิเดิมอยู่ก็จะมีความชื่นชอบก็อยากจะเข้าใกล้ชิดมากขึ้นเองอคุณต่อมีอะไร ต่อไปเป็นคำถามจากทาง a c e b o o k ท้าจากสุชาติวิชาโตนะครับคำถามนะครับจากพระพัวนในนะครับปริยัตภายในมีไหมถ้ามีแล้วนับว่าไอ้นับว่าเป็นคันธุระได้ไหมผมบวชได้สองพรษาพระอุปชาได้ให้เรียนบาลีผมบอกเรียนแต่ไม่สอบได้ไหม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 คือปริญญานี่เรียกว่าเป็นการศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ที่ว่าปริญญานอกก็หมายถึงการศึกษาตามตํำรับตาําราตามหลักสูตรที่ทางทางผู้ใหญ่ได้กําหนดเอาไว้เช่นนักสูตรนักธรรมตีโทเอกอันนี้ก็เป็นการศึกษาพราะธรรมคำสอนหลักธรรมต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสอนมาเป็นการเหมือนกับการดูแผนที่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 จเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วเราก็มุ่งไปสู่การเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาเลยนี้อันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนเหมือนกันเพราะว่าการศึกษาปริยัตินี้ไม่จําเป็นจะต้องศึกษาทั้งพระไต่ายปิดอกขอให้เราศึกษาเป็นทีละขั้นทีละตอนไปขั้นแรกที่เราต้องศึกษาก็คือศีลคือพระเวไนยของพระสองยยีข้อด้วยกัน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 งันสิ่งแรกต้องศึกษาก็คือพระวินัยคือศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อเมื่อรู้แล้วก็ต้องพยายามรักษาให้ให้ดีไม่ให้ด่างพร้อยแล้วก็ให้เข้าสู่การที่สองก็คือการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิก็เพื่อก็เพื่อทำใจให้สงบแี่อย่างน้องตาท่านก็ถ้าศึกษาประวัติเราก็จะทราบว่าท่านก็ศึกษาปริยัติมา ท่านก็ศึกษานักทำตีโทรเอกแล้วก็ต่อด้วยบาลีสารประโยชนบาลีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปพอถึงขั้นที่สามท่านก็บอกว่าเรียนพอแล้วปริยัตเนี่ยท่านอยากจะออกปฏิบัติเนี่ยท่านรู้แล้วว่าเศีลรของพระมีอะไรบ้างหลักธรรมคาสอนหลักของพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรบ้างก็รู้หมดแล้วอย่างสิ่งที่ขาดก็คือการเอาหลักธรรมคาสอนนี้มาปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติเทนั้นที่จะทําให้เกิดผลคือปฏิเวทคือการบรรลุมรรคผลที่ผ่านขั้นต่างๆได้พอท่านได้ทราบข่าวของหลวงปู่มัน่นว่าท่านเป็นพระอารยะเป็นพระอารหันต์ท่านก็เกิดมีความศรัทธาที่อยากจะไปศึกษาปฏิบัติกับหลวงปู่มัน่นพอท่านจบปเปลี่ยนสามประโยคท่านก็ติดเหมือนกับพระที่เล่าให้ฟังนี้พระผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์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 ตาหลวงปู่มัน่นแล้วพอได้พบกับหลวงปู่มั่นก็ได้อยู่กับหลวงปู่มั่นตลอดศึกษาปริยัตต่อแต่เป็นศึกษาปริยัตแบบแบบแนวทางของการปฏิบัติที่จะละเอียดลอกว่าการาศึกษาจากทางตำราอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ก็ยังถือว่ามีปริยัติอยู่เพราะท่านจะเรียกอบรมทุก สี่ห้าวันทุกหกเจ็ดวันนี้จะเรียกพระมาประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญามาเล่าถึงาการปฏิบัติของท่านเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าปฏิบัติไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้างจะต้องแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยวิธีใดพอได้ยินได้ฟังจากท่านมาก็จะทำให้มีปัญญามีแนวทางเพราะว่าจะ เจอปัญหาต่างๆอย่างที่ท่านจะเล่าไว้ก่อน่วงหน้าเลยพอมาถึงขั้นนี้จะติดตรงนี้พอมาทั้งขั้นนี้จะติดตรงนั้นจะคอยบอกไว้ให้ก่อนเลยพอเรา <c oughs> มีคนคอยบอกอย่างนี้เราก็จะได้ไม่หลงทางไม่เสียเวลาก็จะสามารถที่จะไม่ไปเหยียบกับดักได้กับดักก็คือไปติดกับปัญหาต่างๆนี่คือ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 ถวายราบส ก, การะกันเป็นจำนวนมากพอได้ราบส ก, การะกิเลสตัณหาที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดมันก็จะออกมาแสดงตัวแล้วก็มาทำลายผู้ที่ได้รับราบส ก, การะนี่ด้วยการกระทําที่ไม่ถูกธรรมวินัยไม่ถูกกับสมณเพศก็จะกลายเป็นที่กาลหานินทาและ ถึงขั้นกับอาจจะต้องถูกจับลาสิกขาไปถ้ากระทําผิดที่ร้ายแรงต่อพระธรรมวีนัยอันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ตามที่พระพุทธเจ้าส่งบัญญัติไว้แต่ถ้าอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าภรษานี้จะได้ยินได้ฟังถึงวิธีการวิธีชีวิตของพระว่าจะต้องอยู่อย่างไรต้องดาเนินอย่างไรก็จะ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 ลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์แทนที่จะอยู่กับท่านได้คือแทนที่จะอยู่กับท่านหปีท่านก็จะอนุญาตให้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติได้ตอนต้นก็ไปติดต่อกับพระอาจารย์รุ่นนี้ที่อยู่ใกล้บ้านท่านก็บอกว่าท่านถ้าบวชกับท่านก็ต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาแต่วัดของท่านนี่ไม่มีการปฏิบัติวัดของท่านเป็นวัดปริยญเป็นวัดเรียนแล้วก็วัดสวดมีงานสวดต่างๆ ท่านก็เข้าใจท่านก็เห็นใจเพราะตัวท่านเองก็ร่อมสนใจในเรื่องของการปฏิบัติเหมือนกันท่านก็เลยแนะให้ไปทางทางนี้แล้วก็ไปตามที่ท่านบอกก็เป็นก็เป็นโชคดีอันนี้ก็เป็นเหมือนปริยัติอย่างหนึ่งก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องศึกษาแนวทางเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องการอะไรถ้าเราบวชแล้วเราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนี่มันก็ลาบากเหมือนกัน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 อ๋อท่านบวชแล้วท่านก็เอาจริงเอาจังต่อการทําหน้าที่ของพระภิกษุมีหน้าที่ศึกษาพระธรรมวินัยพระภิกษุนี้พรษาแรกก็จะต้องศึกษานักธรรมตรีก็จะมีศึกษาเกี่ยวกับศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมสาคัญต่างๆเช่นอริยสัจสี่มรรคแปดไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอิทธิบาทสี่อะไรอย่างนี้เป็นต้น พอศึกษาแล้วก็ทําให้ท่านเกิดศรัทธาขึ้นมาก <c oughs> ็เลยสนใจทําการปฏิบัติท่านก็ฝึกนั่งสมาธิของท่านไปตามลําพังแล้วก็ทําให้อยากจะได้เป็นพระอรหันต์พอหลังจากที่ศึกษาเราถึงจะรู้ว่าอาการบวชนี่ก็บวชเพื่อที่จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่เองเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ทึ่ทำให้ท่านมีปณิธานแน่วแน่อยู่ภายในใจว่าท่านจะต้องออกปฏิบัติหลังจากที่ได้ศึกษาปริยัติพอสมควรแล้วอันนี้ทุกคนที่มาบวชนี้จำเป็นจะต้องมีปริยัตด้วยกันเท่นั้เองแต่ปริยัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปริยัติแบบในรูปแบบที่เขาจัดทำไว้ให้คือต้องศึกษานักธรรมตีโทเอกแล้วก็ไปสอบให้ผ่าน ได้รับใบประกาศสนิบัตมาอันนี้ไม่ไม่จำเป็นจะต้องทําแบบนี้ก็ได้เราศึกษาหนังสือธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเอาหนังสือหลักสูตรของนักธรรมตีโทเอกมาอ่านเองก็ได้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องเท่านี้ก็พอแล้วไม่จําเป็นจะตั้งไปสอบเอาใบประกาศมายืนยันว่าเราได้เรียนรู้แล้วเพราะปริญญาต้นี้ก็เป็นเหมือนกับการ ดูแผนที่นั่นเองเราดูแผนที่แล้วเราไม่ต้องไปสอบว่าเราดูแผนที่แล้วเช่นเราจะเดินทางไปที่เชียงใหม่แล้วไม่เคยไปเราเปิดแผนที่ดูเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปจ้างให้ก็าทราบว่าเราได้เรียนดูแผนที่นี้แล้วเรารู้แล้วว่าทางที่จะไปเชียงใหม่ไปไงเราก็ออกเดินทางไปเท่านั้นเองเราศึกษาปริยัตเพื่อให้รู้ว่าทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปอย่างไรพอเรารู้แล้วเราก็ออกเดินทางไปก็เท่านั้นเอง ไม่ต้องให้มีใครมารับรองว่าเราได้เรียนจบได้ดูแผนที่จบเรียบร้อยแล้วถ้าเรารู้ทางแล้วเราก็ออกเดินทางไปเลยแต่ในทางปริยัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอเรียนจบปริยัติก็แทนที่จะออกเดินทางปฏิบัติก็กลับมาเป็นครูอาจารย์แทนมาสอนปริยัติกันต่อไปมันก็เลยติดอยู่แต่ขั้นปริยัตไม่ได้ออกทางปฏิบัติอ่าข้อ คำถามข้อต่อไปคำถามข้อต่อไปจากคุณนายออนอิฐสุ ข, ขะนะครับเรียนถามผ้าจาย์ข้อที่หนึ่งถ้าเราไม่ได้รับศีลหรือไม่ได้สมาทานศีลเลยแต่เราไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยรักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ได้พูดโอดไม่ได้ดื่มจุลาแล้วจะเรียกได้ว่าเราถือศีลห้าหรือเปล่าคะ หรือต้องสมาทานศีลเท่านั้นถึงจะเรียกว่าถือศีลห้คือศีลที่แท้จริงนี้ไม่ต้องสมาทานคือการละเว้นจากการกระทําผิดทั้งห้าข้อนี้ก็ถือว่ามีศีลแล้วถ้าเราไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวณีไม่พูดปดไม่เสพเสพติยาเมาถึงแม้เราจะไม่เคยเข้าวัดเข้าวามาก่อนไม่เคยมัยังพันเตมาก่อนอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไม่สาคัญ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 ให้ศีลห้านี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเอาศิลของตนมาให้ผู้อื่นเพ็นแต่เป็นการสอนให้รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างการสมาทานนี้ก็เพื่อการศึกษาให้รู้ว่ามีอยากจะรักษาศีลห้ามีอะไรบ้างช่วยบอกผมหน่อยนี่คือเวลาสมาทานพระก็บอกว่ามีอย่างนี้มีอย่างนี้ห้าก้อแล้วก็ตบท้ายด้วยอันนี้สองว่าเออถ้ารักษาศีลห้าข้อ น, นี้ได้ก็ก็จะมีสี่เลนะสุกติยันติหมายถึงว่า ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายจะไปสู่สุขติแล้วก็จะมีโพกพรพซั์เจริญในโพกัะซับแล้วก็ดับความทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปได้นี่กืออ น, นิสงส์สามข้อเวลาที่พระท่านสอนท่านก็นจบท้ายว่าสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภกรซัมปธาสี่เลนะ น, น, น, น, นิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย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 อันนี้เลยไม่กล้ากินของที่วัดกวางไม่ได้ อ, อุปรโรกค่ะไม่ทราบว่าเป็นตามที่ได้ยินมาหรือเปล่า อ, อุปโลกหรือไม่อุปโลกถ้ากินด้วยความโลภ ก, ก็เป็นเปนได้ <c oughs> คือคำว่าอุปโลกนี้หมายถึงเป็นการาแจ้งให้สงฆ์ทราบว่าวันนี้ได้มีของที่ถวายให้กับสงฆ์ขอให้สงฆ์แบ่งปันกันตามอา่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 ถ้าทาก่อนโดยที่ยังไม่มีการอบประโลกคือของของยังไม่ถึงมือพระบางทีไปเข้ากระเป๋าของญาติโยมแล้วอย่างนี้ถึงเรียกว่าจะเป็นเปรตเพราะทำด้วยทาด้วยความทาผิดพ็วินยัยทำด้วยความโลภอยากได้แต่ถ้ามีของหรืออยู่แล้วทางวัดมีความปรารถนาที่อยากจะเลี้ยงดูญาติโยมที่มาร่วมทาบุญอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเปรต ถ้าถึงเวลาเวลาพระให้พรเสร็จแล้วของที่ทางวัดจัดไว้ก็หยิยบได้ตามสบายจะเปรตไม่เป็นเปรดก็คือมือใครยาวกว่าใครถ้ามือไม่ยาวก็ไม่เป็นเปรดถ้ามือยาวมันก็จะเป็นเปรตได้ทีนี้บางวัดบางวัดเขาอุปโลงบางวัดก็ไม่ลอุปโลงทั้งหมดก็ถือว่าอุปโลงโดยอัตโนมัติไปเตรียมเจตนาใ ห, ให้อยู่แล้วออื ก็เลยไม่ได้อุปโลงอย่างวัดป่าวันตายก็ไม่มีการอุปโลงอะไรแต่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วว่าของที่ออกมาจากของพระแล้วนี่ก็ก็มีไว้เพื่อให้ญาติโยมมาช่วยกันรับประทานกันหนึ่งเพราะเก็บไว้มันก็ต้องทิ้งไปอยู่ดีนั้นญาติโยมที่มาทําบุญก็อยากจะให้ญาติโยมได้ร่วมรับประทานอาหารกันเป็นทานกันทําด้วยความเมตตาเพียงแต่ว่าผู้รับทานขออย่า รับประทานแบบเปรตเท่านั้นเองคือรับประทานรับประทานพออยู่พอกินพออิ่มท้องพออะไรบางคนกินกินของตนไม่พอยังคิดถึงพี่ถึงน้องถึงถึงหมูถึงหมาถึงแมวได้บ้าง <c oughs> าเมื่อจะสังเกตบาง้องแห่งที่ที่มีการกล่าวคำสังฆทานนะฮะก็จะมักจะกล่าวคำพุูก แต่บาัดท่านไม่ได้มีการขับกล่าวก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องคือตามถ้าเป็นเป็นธรรมหลักธรรมวินัยก็เหมือนกฎหมายอะกฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้ามีการกล่าวคําถวายสังฆทานก็ต้องมีการอุปโภคเช่นเช่นกระถินนี่ก็มีการอุปโภคเพราะมีการกล่าวคําถวายเนี่ยวัดบารมนตัดจะมีอุปโภคก็เพียงครั้งเดียววันกระถินนี่เวลากล่าวคําถวายผ้ากรถินนี่ก็เป็นสังฆทานเหมือนกันพอพอ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 ผู้สวดสุดท้ายนี่จะไม่เ ป, เป็นผู้ตั้งยัตติสวดยัตติยัตติกามองสามองแรกที่สวดเดียวนี่เป็นผู้ตั้งตั้งเสนอไงเหมือนกับในสภาก่อนที่จะผ่านกฎหมายได้ต้องมีคนเสนอกฎหมายเช่นกฎหมายนี่อะไรเนี่ย แ, แบบเดียวกันเลย ก็แบบเดียวกันกฎหมายแบบกฎหมา ย, ยากฎหมายสมัยนี้ก็เอาจากจากสมัยพระพุทธกาลนี่แหละสุดท้ายเป็นการถอนคำเห็นที่ผมไม่ผู้ใดคัดค้านก็ถึงว่าอุปโลกน่ะถ้าทุกคนนิ่ง <c oughs> เงียบประเสริว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านเห็นชอ บ, ป บ, บไป <c oughs> ต้องสวดสามครั้งยัตติตั้งยัตติสามครั้งอสุนาตเุเมพันเตสามครั้งด้วยกันครับอ่าคุณเดียสายป่านะครับ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 ชาวพุทควรจะวางจิตยอย่างไรเกี่ยวกับใครจะมาเป็นผู้นําสงฆ์ท่านต่อไปครับพระอาจารย์ก็เรื่องของของสงฆ์เขาจะมีมติอย่างไรก็ต้องก็ต้องรับไปส่วนจะงเรามีศรัทธาในผู้ที่เขาแต่งตั้งหรือไม่นั่นก็เป็นเรื่องของเราถ้าเราศึกษาประวัติของท่านแล้วน่าเลื่อมใสน่าศรัทธาเราก็จะเราก็จะเริ่มใสศรัทธาเอง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 ประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้มีศาสดาเป็นผู้นําทางเราไปถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้อย่างสมัยก่อนครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ต้องบวทเรียนบวชเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์อีกทีนึงศึกษาจากครูบาอาจารย์อีกทีให้ท่านอบรมสั่งสอนเรียกมาสั่งสอนทุก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 พระอาหารหันต์คืออะไรพระอาหารหันต์ก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนบรรลุถึงขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพาน <c oughs> ด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริรสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากกัรหาความอยากป ร, ปราศจากโมหะอวิชชาที่เป็น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 ไม่ว่าจะมีอะไรปรากฏมาให้รับรู้ก็ อ, อย่าไปสนใจถ้าเราไปสนใจก็แสดงว่าเราเผลอเราไม่มีสติแล้วเราไม่จรรยสติแล้วก็เหมือนกับไปตามรู้เรื่องราวต่างๆที่อาจจะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นการเสียเวลาเป็นการหลงทางจะไม่จะทําให้จิตไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้าอยากจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาจําเป็นไต้องเกาะติดอยู่กับ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 ร่างกายของเรามันเป็นอะไรบางทีเรายังไม่รู้เลยแล้วเราจะไปรู้เรื่องของร่างกายของคนอื่นไหมครับอคนนี้ก็ถามมานะครับว่าอยากให้ท่านสอนปฏิบัติธรรมวันเสาร์ด้วยครับเพราะ ว, าว่าว่างวันเสาร์ก็สอนอยู่แล้วนี่มีมีคําถามที่ก็ถามเรื่องพระพาะสังฆติเจอป่าวเราอ่านเจออยู่ พออยากจะรู้ว่าทําไมพระพระต้องพาดผ้าสังกะติบนบ่าเวลาที่ออกมาทําพิธีกรรมต่างๆแล้วทําไมหลวงพ่อโตท่านพาผ้าสังกะติในขณะที่ห่มหมคุมบ่าทั้งสองด้านคือปกติใ่านพระท่านเวลาห่มผ้าเนี้านมีสองลักษณะเวลาอยู่ในอาวาส น, นให้ห่มเฉลียงบ่าแต่เวลาออกจากวัดไปนอกวัดนี้ให้ห่มกลุ่มทั้งสองบาเช่นเวลาออกเป็นธบัต ทีนเรื่องของผ้าสังกตินี้มันมีความเป็นมาอย่างนี้เดิมทีพระจะมีผ้าเพียงสองผืนเท่านั้นคือผ้านุ่งกับผ้าห่มผ้านุ่งก็คือผ้าผ้าสบงผ้าห่มก็คือผ้าจีวรต่อมามีพระที่มาบวชช่วงหลังๆนี้จะมีอินทรีย์อ่อนไม่เหมือนพระรุ่นแรกๆเป็นพระอรหันต์เท่านั้นผ้ามีอินทรีย์อ่อนนี้จะทนกับความหนาวไม่ได้ ก็เลยมาขอพุทธานุญาตว่าขอผ้าห่มพอเจ้าก็ส่งพิจนาด้วยการห่มจีวรในช่วงยามแรกห่มจีวรถืนหนึ่งนั่งถึงสี่ทุ่มแล้วพอในยามที่สองอากาศเริ่มเย็นมากขึ้นก็ส่งเอาจีวรมาอีกผืนหนึ่งมาห่มพอถึงช่วงยามสามก็หนาวมากขึ้นอีกก็เลยเอาผ้าจีวรมาห่มอีกมีตรบสรุปแล้วต้องห่มผ้าจีวรสาม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 ทนี้บางเวลานี้ไม่ต้องมีไม่มีไม่มีมมมมความจาเป็นที่จะต้องใช้ผ้าสังคติที่แต่เวลาสมัยก่อนนั้นพระท่านไม่ได้อยู่ตามกุติที่ปลอดภัยที่สามารถเก็บข้าวของให้ได้ปลอดภัยได้เนเวลาไปไหนเนี่ยท่านจึงต้องเอาผ้าทั้งสามผืนไปด้วยเช่นตอนบินธบาตเนี่ยผ้าป่านี้จะต้องซ้อนผ้าสังคติคือไม่ให้ ไม่ให้ทิ้งผ้าไว้ตามลำพังเพราะกลับมาอาจจะถูกขโมยขโมยไปนี่คือธรมเนียมซ้อนผ้าเป็นทบาทของผ้าป่าพระป่าจะซ้อนสามผืนเลยคือผ้าจีวรผืนหนึ่งแล้วก็ผ้าสังฆติสองชั้นเดี๋ยถือว่าเป็นสองผืนนะจะห่มผ้าซ้อนสังฆติเอาเป็นทบาทเพื่อที่จะรักษาผ้าไม่ให้ถูกขโมยไป ทีนี้เวลาทําพิธีกรรมมันน้อนจะมาห่มสามชั้นมันก็ไม่ไหวก็เลยเอามาพาดบ่าแทนคือให้อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาไม่ให้อยู่ห่างไกลเพราะว่าสมัยก่อนผ้าหายากผ้านั้นสมัยที่ไม่มีการถวายผ้ากรถิ่นนี่ต้องไปหาผ้าเศษผ้าที่ถูกทิ้งไว้ตามป่าชาผ้าห่อศพหรือผ้าที่ทิ้งไว้ตามอากองขยะต่างๆสะสมที่าเล็กเท่าน้อย จนกว่าจะได้จานวนพอก่อการตัดเย็บนี่คือที่มาของว่าทาไมเวลาพระสงฆ์ท่านทำพิธีกรรมยังมีผ้าอีกผืนหนึ่งผ้าอยู่บนบ่าอันนั้นเป็นผ้าผืนที่สามของผืนอา่าผืนที่สามคือเรียกว่าไตาจีวอนเป็นผ้าสามผืนด้วยกันเท่า น, นี้ก็พอเพียงต่อการอยู่ของพระแล้ว สำหรับผ้าที่มีความมักน้อยสันโดษก็จะถือแค่ผ้าสามผืนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในทุดดงควัตคือการถือผ้าไตาจีวรเป็นวัดแต่ถ้าต่ท่านก็ไม่ไม่ไม่ห้ามถ้ามีความจําเป็นอยากจะมีผ้ามากไปกว่า น, นี้ถ้ามีศรัทธาถวายก็รับไปวัว่ใช้ได้เช่นผ้าในในบ้านในเมืองในท่านอาจจะมีพิธีกรรมเยอะมีงานศพมีงานสวดอะไรเยอะใช้ละมานทีผ้ามันก็เปื้อนเด็ว ท่านก็ต้องมีผ้าสำรองมาเปลี่ยนแต่ผ้าป่านี้มักจะไม่มีพิธีอะไรมากนะก็มีเฉพาะฉันกับเวลาบินธบานพระป่าจึงมักจะถือผ้าสามผืนเป็นหลักถ้าได้มามากกว่านั้นก็จะสลระไปบอยจากไปทำทานไปเพราะไม่ต้องการที่จะมีภาระกับวัตถุข้าวของต่างๆ ก็จะทําให้เสียเวลาต่อการภาวนาอันนี้คือคําตอบมีคนเขาเขียนถามเกี่ยวกับเรื่องผ้าสังกติส่วนที่หลวงพ่อโตท่านห่มผ้าแล้วท่านท่านเอาผ้าสังกติผ้าไหลก็แสดงว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้เอาผ้าสังกติมามาซ้อนกับผ้าจีวรเวลาห่มท่านก็เลยเอาผ้าสังกติทอดผ้าใบาแล้วท่านก็ไปไหนมาไหนไปอันนี้ก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ผิดพระวินยัยแต่อย่างใด พระวินัยให้ให้เอาให้รักษาผ้าทั้งสามผืนไว้ไม่ให้ขาดจากสายตาอาจารย์ครับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับทำไมตอนบินทบาทเนี่ยผ้าป่าเนี่ยถึงห่มจีวรแค่ชั้นเดียวในขณะที่พานในเมืองนี่ห่มสองชั้นครับเกิดพผ้าผ้าป่าส่วนใหญ่ถ้าตามวัดป่านี่ท่านจะห่มสามผืนไอ้อท่านจะห่มซ้อนสามติด้วยกัน แต่ที่ทนี่แต่ที่นี่เราห่มพื้นเดียวอตอนตอ น, ตอนที่อยู่ไม่ห้องสอนก็อากาศนหนาวๆครับแต่ว่าก็ห่มแค่ชั้นเดียว<อ>แต่ถ้าพักในเมืองมนจะสองสองสองชั้น <c oughs> ก็คือว่าเราใช่เหตุผลว่าตอนนี้เรามีกุฏิที่อยู่อาศัย <c oughs> ที่สัตว์เป็นส่วนที่ปลอดภัย เราก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องซ้อนผ้าท่านเองซ้อนผ้าสังกติแต่ครูบาอาจารย์บางทีท่านก็ไม่ไม่ไม่อนุญาตท่านจะถือหลักเดิมก็คือว่าถึงแม้ว่าจะมีที่เก็บอย่างปลอดภัยท่านก็อยากจะรักษาธรรมเนียมเดิมมาอยู่ก็จะมีการซ้อนผ้าถ้าอยู่กับหลวงตานี้ท่านจะซ้อนผ้าเบญบาต ท, ทุกครั้ยกเว้นวันที่ฝนตกเท่านั้นที่จะไม่ซ้อนผ้าเพราะถ้าอับซ้อนอาจจะมันเปียกทีสามผืนเปี่ยกหมดเวลามันไม่มีผืนเปลี่ยนเข้าใจไหม ก็เลยเอาผืนเดียวเอาจีวรชำระจีวรแล้วกลับมาฝนออกไปบินตาบาร์เราเปียกทั้งผืนนี้ก็ยังมีผ้าสังกติมาห่มแทนได้คุองไปอยู่ที่บ้านตากที่โดนฝนตกนี่ต้งารใส่สองผืนเลยนะผืนเดียวเวลาฝนตกเวลาต้องกลางร่มเนี่ยผืนเดียวนะครับอเพราะว่าถ้าเกิดผืนนั้นเปียกเรายังมีผ้าผ้าผ้ า, า, าสังกติมามาใส่แทนได้เพราะบางทีฝนมันแรงๆฝนร้อนสาดอ่าทางนี้เรา ก็บอกว่าย่อนยานทางข้อนี้ก็อ้างว่ามีมีที่กุฏิเก็บรักษาไว้ <c oughs> ที่ปล <c oughs> อดไัยแต่ทางพระปริยัติเขาไม่ได้ทำอย่างนั้เขาไม่ใช่ผ้าสังกติแต่เขาใช้ผ้าจีวรสองผืนหม่มพราะเขาเขาว่าผ้าจีวรผืนเดียวบางแล้วห่มไปแล้วจะเห็นก้นหรือเห็นอะไรก็ไม่ทราบเลยต้องให้ห่มสองผืนแต่ความจริงมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง ผลที่แท้จริงก็อย่างที่เล่าให้ฟังนี้เพราะว่าที่จะรักษาผ้าของตนไว้ให้ปลอดภัยนั่นเองแต่ทีนี้ผ้าผ้าสังกติของพระในในในบ้านในเมืองนี้เขาจะาไว้สําหรับผ้าหลายอย่างเดียวไว้สําหรับทําพิธีกรรมอย่างเดียวเขาไม่อามาใช้ห่มอะไรในเวลาห่มเขาก็เลยเอาผ้าจีวรที่เขามีมีเพิ่มอีกผืนนึงเอามาห่มแทนนั่นเองเป็นการ รักษาพระวินัยแต่ไม่ได้รักษาตามเจตนาลมเดิมลักษณะที่ว่าซ้อนท่าแล้บินทบาทพระอาจารย์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าในขณะที่อยู่ในป่าคราจารแล้วอากาศมันหนาวเนี่ยเราเอามาใช้สองผืนได้ไหมครับอาจารย์ตอนบินทบาดเนี่ยผมสองผืนก็ขพระป่าท่านห่มทุกสองผืนอยู่แล้วตลอดเวลาเนี่ยพระป่านี่ยท่านจะห่มจีวรทั้งจีวรทั้งสังคาติเพราะท่านมีแค่ผ้าสามผืน เวลาท่านไปทุงดงเนี่ยท่านก็ไปอยู่แบบที่ไม่มีที่เก็บท่านมีแค่ที่ชาวบ้านทำให้อันหนึ่งท่านนั้นเองเวลาท่านไปบินจาบาทถ้าท่านกลัวว่าผ้าสังกติจะหายท่านก็เลยต้องซ้อนไปด้วยเอาของบริขารติดตัวไปหมดเลยบาทก็เอาไปด้วยไปหมดองค์ท่านก็มีอย่างจีวรไอ้มีมีอะไรมีที่กรองน้ำมีใบมีโกนก็ส่ย่ามแล้วก็สะายยามไปด้วย พอที่กลับ ม, มาเจอลิงมันค้นมันความม้า ม, ม, มันมันลืมมน้อมันขโมยไปได้ก <c oughs> ็เลยต้องเอาติดตัวไปอัฐบริการนี้ต้องติดตัวไปเพื่อเพื่ อ, อความอยู่รอด <c oughs> เอาแล้วนะปัญหายาวแล้วตอนนี้ก็ให้ท่านที่อยากจะถวายข้าวของเอาข้ามาถวายก่อนเอาถามยกไปพรุ่งนี้ครับยังมีใครเอาไวเสร็จแล้วก็ให้พรนะด่านกลางสิบห้องทัก ยะท้าวฤวาหะปุราปุรุเปรินติสักหลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุปกาปติ อจิตังปฏิต่างตุมหังคิดะเมวาสะมิจฉุสะเพปุเรนตุสังกะปะจันโทปนาระโสยัตถะมาริโชติระโสยัตถะสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีขายุโกภวะ อพิวาตนาสีลิสะนิตจังุทาปจายโนจตารโธรรมวัฏาติอายุวโนโอสุขังภาลัง ขกเนี่เราจะรวรวมกันไม่ใช่เอาไว้ก่อนนะเพราะมันยังมันยังไม่มีมันก็จะเอาเข้าปนของที่สร้างบ้านเลยหรแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โยมโยมถ่ายก็กหนดไว้ถ้าจะสร้างบ้านก็เอาไปเลยเพราะเราจะได้ไม่นแล้วแต่ท่านอ้าวไม่ได้กาหนดไว้เลยร้างบ้านอยู่แล้วก็แล้วก็แล้วแต่จะทำอะไรก็บอกไปถ้าไม่ ไม่กำหนดก็ย่่าเก็บเอาไว้ได้่ไมกําหนดถ้ากําหนดก็ต้องถ้าจะเข้าบ้านก็เอาไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องเอาไปเข้าธนาคารอีกทียังไม่ได้ตั้งอะไรเลยคนก็ปากพูดกันไปแล้วเพ้ง <c oughs> แต่ดําเละคิดจะทําท่านั้นเองยังไม่ได้ทําเลยเดี๋ยวรับเงินมาแล้วเดี๋ยวเกิดมาไม่ได้ตั้งจะทําไงย้าเงินไปทําต้องหาคนคนให้แต่ว่าอยู่ที่ไหนต้องส่งคืนเขาเอง เดี๋ยวหาว่าหลอกลวงไและอือ่นอื่นามีรู้สึกายกับกาเกิดนะแล้วก็อันนี้ของคุณคุณแหม่มกับคุณมนวดีอะค่ะเอไปเจอกันแล้วก็เลยกับกับมันถวายได้จะทำอะไรแบบเงี้ยไ ม, ยม่ทำไม่ได้เลย คือที่อยากจะทํำแบบนี้เพียพอหนึ่งไม่อยากจะให้เป็นการเลี่ยายพอคนรู้แล้วนี่เหมือนกับว่าเราเลี่ยไรยนั้นเวลาเราทําอะไรนี่เราพร้อมแล้วเราทําเลยจบไม่เลี่ยไรยอะไรทั้งนั้นเ <Yeah. S 1> ข้าใจไหมออนั่นแหะที่บางทีมันทําอะไรทําคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นช่วยทําให้พอคนอื่นเขาก็ช่วยทําก็ก็เลยไปพูดกระจาย เขาไม่รู้ว่าไม่ควรจะพูดเขาก็พูดกันอออแล้วกมา้ววตัที่แช <c oughs> ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวันขึ้นมาไปหมดเพียง <c oughs> แต่ยังเป็นการเพียงแต่การเริ่มการที่จะทำเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นรูปเป็นร่าง <c oughs> คือทําอะไรอยากจะทําแบบคนรู้น้อยๆนะมันดีรู้มากแล้วมันอ่มัน มันตัวแปลเยอะมันตัวอยากจะมามาวุ่นด้วยมันเยอะเอาเลยเคยี่บอกว่าอยากให้ทำบุญตามอัธยาศัยง่ายที่สุด <c oughs> แล้วเราพอมีปัจจัยที่สมควรที่จะทำรายได้เราก็จะทำของเราไป <c oughs> แต่เราไม่ชอบทำแบบในรูปแบบว่าประกาศบอกบุญขอเรีอยลลัยเพราะว่ามันมันไม่ใช่ทางของการการปฏิบัติ <c oughs>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 เพราะถ้าไปพูดแบบว่าต้องการซื้อรถโรงพยาบาลเดี๋ยวคนก็อา้าวหลวงพ่อเรียรายขอรถอีกแล้วออจะสร้างเตกโรงพยาบาลอ้าวหลวงพ่อเรียรายขอเงินสร้างโรงพยาบาลอีกแล้วมันกลายเป็นเรื่องการขอไปหมด อ, อันนี้ไม่ได้ทําอย่างนั้นไม่ได้การขอเงินต้องการใช้เงินให้มันหมดอ ท, ที่เงินที่เขาทําบุญมาเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้มีเก็บไว้ก็ถ้ามีเหตุมีผลที่ควรจะเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็จะเอามาใช้ เอในเวลาใช้เลยไม่จําเป็นจะต้องประกาศไม่ต้องเรียลายไม่ต้องขออะไรใครเพราะมันมีอยู่แล้วเข้าใจรับป่าที่เราทําทั้งหมดได้ถึงไม่เคยบอกใครทำสาธารทาอะไรทําแค่องทําแค่นี้เราไม่ขอเรียลลัยใจากใครเพราะมันมีอยู่แล้วเงินมันไม่ต้องขอใจากใครถ้ามันมีเหตุมีความจําจเป็นจะต้องทําก็ทํามันไป ฉันขอทําความเข้าใจไว้อย่างนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้เกิดในรูปแบบว่าเหมือนกับว่าเป็นการเรียลลัยเป็นการขอเงินเพราะไม่ต้องการเงินจากใครที่ทําเพราะว่ามันมีมากเกินไปเข้าใจไหมมีแล้วมันเป็นภาระเรียกว่าถ้าเราไม่ทําประโยชน์เราตายไปคนหนึ่งเขาเอาไปทําอะไรเราก็ไม่รู้งั้นก่อนที่เราตายเราทําก่อนดีกว่าอื แต่ถ้าไม่มีก็ไม่ทําก็ไม่เคยทํามาตั้งนานตั้งแต่บวชมานี้ก็ไม่เคยทําอะไรก็เพิ่งมาเริ่มทําเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ก็ทําแค่ทําที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่ามันที่ปฏิบัติธรรมนี่ความจริงก็ไม่ต้องเรียกไม่ต้องบริจาคเราก็มีเงินทําให้ได้ตราถึงบอกว่ า, าไม่ต้องไม่ต้องเรียลายไม่ต้องอะไรฉ <c oughs> ั้นขอให้เข้าใจหลักของการทํางานของเราว่าเราทําอย่างนี้ เราไม่ทําเพื่อเหมือนกับว่าหาเหตุเล็กน้อยว่าจะทํานู่นแล้วก็จะได้ประกาศเรียลายกันจะได้มีเงินไหลเข้ามาเทมาองั้นไม่ใช่ไม่ต้องการที่ทำเพราะต้องการให้เงินไหลออกไหมต้องการไหลเข้าเพราะมันมีไหลเข้ามัไม่ค่อยได้หลออกเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> ทุกวันนี้มันมีแต่ไหลเข้าไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาอันมี้เข้าใจว่าทุกๆคนเขาเป็นข่านเนี่ยหรือคนที่พวกเปล่าคารุกอะไรก็ ให้ทํากับท่านก็เป็นความสุขใจอย่างยิ่งอก็อถึงเล่าให้ฟังว่าเนี้ที่เราทําก็ทําแบบในรูปแบบนี้นะถ้อ า, อ, า, อ, าอยากจะทําบุงก็ทําไปตามมัธยาศัยถึงเวลาจะทําอะไรมันก็คล่องกว่าคล่องกว่าที่จะต้องมาแยกบัญชีว่าทําไอ้นีทน่ทําไอ้นีป่ปวดหัวตายหไปหม อ, ยอแยกบัญชีกันซีดีหนังสือหนังสือกําลังใจหนังสือจุฬารรมเฮ้แยกรายการปวดหัวไปหมด ไม่ต้องมาทําอะไระมันต้องทาบัญชียากกับบัญชีรายการต่างๆของนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเข้าใจไหมคือญาติโยมทําบุญได้ตลอดเวลาวันไหนมีความศรัทธาอยากจะทําก็ทําได้เลยไม่ต้องรอให้มีโครงการนั้นโครงการนี้แล้วค่อยมาทํากันเข้าใจไหมวันเกิดอยากจะทําบุญก็ทําไปวันไหนอยาก อยากจะสบายใจอยากจะทำก็ทำไปส่วนคนรับจะเอาไปทำอะไรก็กปล่อยคนรับเข้าไปทำให้ก็พิจารณาดูว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรก็ทาไปแต่ถ้ามาให้ทำอย่างวุ้นทงนี้บางทีมันรับตัวแต่บางทีถับตามไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาใช้เงินไม่ถูกเจตนาของผู้ให้ก็ไม่ถูก ไม่อยากจะรับในรูปแบบนั้นเอาแล้วนะสี่วงกว่าละสมควรแก่เวลาขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ